เอามีพระสูตรเกี่ยวกับท่านเนี่ยมากมายหลายสูตรนะฮะการเล่าอย่างนี้เก็บรายละเอียดในที่ต่างๆมาคงเล่าไม่หวาดไหว <c oughs> พระพุทธเจ้าโดยทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอตทะคะในด้านของความเป็นผู้เกิดในสกุลสูงคําว่าสกุลสูงเนี่ยหมายถึงความจริงพวกสากยะก็มีหลายกลุ่มหลายวงนะแต่ว่าพวกที่เขาได้รับเขายกย่องว่าเป็นพวก อ่ามีสกุลสูงสูงคือได้รับยกย่องคือพูดง่ายว่าเป็นผู้ดีของผู้ดีอีกทีนะผู้ดีของผู้ดีอีกทีเหมือนเหมือนว่าคนที่เกิดในในในเชื้อพระวง์เนี่ยก็มีหลายขั้นหลายชั้นวางพวกก็ได้รับยกย่องว่าโดยสายเลือดก็สูงด้วยโดยความเป็นอยู่ของสกุลก็สูงด้วย ท่านพันิยาน่นได้รับยกย่องในลักษณะอย่างนี้อ่ะองค์นี้เราก็ก็จะผ่านท่านไปมาถึงอีกองค์หนึ่งครับคือท่านองคุลิมานองค์นี้นี่ยเรื่องมากมายแล้วก็เรื่องนาปสะดับตรับฟังอย่างยิ่งแต่ว่าคนก็รู้มากแล้วอย่างยิ่งหนังสือนังหาเขียนกันเยอะแยะไปหมดก็เลยทาไปทามาเลยไม่ต้องพูดอะไรกันมาก อพระสูตรที่ชื่อองคุริมาณสูตรเนี่ยพไปอ่านแล้วก็ น, น, นานๆ๊บเปลือไปอ่านทีก็รู้สึกว่าทราบถึงอัศจรรย์นในในพุทธานุภาพอย่างเหลือเกินนะฮะถ้าผมถามว่าท่านองคุริมานเป็นคนเมืองไหนคนไปอินเดียมาแล้วทุกคนแม่ไม่เคยอ่านประวัติท่านก็จะจําติดติดใจเลยติดตาด้วยถามว่าเป็นคนเมืองไหนไหนใครที่เคยไปอินเดียมาแล้วจําได้ไหม เมืองสาวสถีใช่ไหมเพอะบ้านท่านอยู่เมืองสาวสถีเป็นลูกของพระณามบุโลโหิตพอเองก็ดูมดดูหมอ ด, ดูดาวเก่งดูดวงเก่งวันที่ท่านเกิดเนี่ยบอกว่าโอ้โหตะบะาท่านแรงมากขนาดทำให้อาวุธเนี่ยมีไฟลุกโลงขึ้นมาเลยเป็นนิมิตบุพนิมิตว่าบุคคลผู้เหี้ยมโหดที่มีฝ่ามือเปื้อนเลือดได้มาเกิดในตระกูลนี้แล้ว ถึงขนาดทําให้อกสั่นกว่าหายกันไปอส่วนพ่อก็ดูได้รู้ว่าชะตาลูกเนี่ยจะเป็นอย่างไรถึงขนาดไปกราบทูลกับพระเจ้าประเสนเนี่ยบอกว่าถ้าจะทรงให้โปรโ ด, ดให้ฆ่าก็าจะฆ่าพาระเจ้าปเสนก็ถามว่าเวลาเป็นโจรเป็นโจรคนเดียวเป็นโจรหัวเดียวหรือเป็นโจรคุมมีลูกน้องคุมพวกคุมก็เป็น ก, ก๊กพ่อบอกว่าโจรคนเดียว บอกท่าคนเดียวไม่ไหวพออยู่ในกำลังที่จะสามารถปราบปรามได้อย่าไปฆ่าเขาเลยก็เลี้ยงมาจนโตแล้วก็ได้กลายเป็นโจร น, นี่สาเหตุเป็นโจรเนี่ยผมพูดถึงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าวาังชาอา จ, จะไม่ชัดว่าทำไมถึงกลายเป็นโจรไปตอบว่ามันเกิดจากแรงอิจฉาของสิทธิ์รวมสำนักคือตัวองค์ริมาหนึงจะเป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่เวลาไปเรียนที่สานักตักกศิลา ซึ่งเวลานี้อยู่ในเขตปากียฐานชื่อํานักตักยิลาออาจารย์กับครอบครัวอาจารย์นีรักมากเหลือเกินเป็นคนแข็งแรงเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนทําการงานเก่งมากมันทําได้สารพัดคือองคุลิ ม, มานอาจารย์ก็รักแล้วก็เมื่ อ, อครอบครัวอาจารย์รักก็ตอบแทนด้วยประการต่างๆจนกระทั่งไอ้พวกลูกศิษย์เนี่ยมันอิจฉา อิชาก็เลยไปยุแย่อาจารย์ว่าองคุริมานเนี่ยคิดการไม่ดีกับอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ที่แรกก็ไม่เชื่อนักเข้าก็เลยเชื่อก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเลยถึงจะจัดการกับคนที่แข็งแรงมีความฉรีสิริหลานมีความสามารถนี้ได้ก็จึงวางแผนอย่างที่ว่าขอให้ไปฆ่าคนเยอะเดี๋ยวก็มีคนฆ่าเองแหละก็จึงบอกว่าให้ไปฆ่าคนแอบฆ่าเนี่ย ตามประวัติในนี้บอกว่าอาจารย์ทวงบุญคุณบอกว่าสิ่งที่เธอควรจะตอบแทนอาจารย์ควรจะคล้ายๆเอาพวงมาลัยพวงเดียวก็บอกแต่ว่าเป็นพวงมาลัยที่ได้จากนิ้วโป้งคนก็นแล้วกันไปฆ่าคนแล้วตัดเอานิ้อเดียวของของนิ้วอว้ทีแรกแกก็ไปฆ่าฆ่าแล้วก็แขวนตามต้นไม้อีกามันโฉบมาบ้างอะไรบ้างตกกระดินเน่าบ้างเลย ฆ่าไปเมืันก็เน่าลายหลังไปก็เลยถึงต้องฆ่านะเป็นหลายร้อยคนเลยนะในที่สุดก็เอามาสะพายเนี่ไ้สะพายที่เราเห็นในรูปสะพายแบบค้องมุมอะไรแต่ในประวัติบอกไม่ได้สะพายนะสะพายสะพายแล่งสะพายแบบสะพายไม่ได้สะพายแบบคล้องคอเพื่อกันไม่ให้พวกนกพวกหนูมาขโมยไปกินก็เลยพกฆ่าไปฆ่ามาแค่วิญญาณผีขาวสีนี้นะหน้า ม, มืด เวันนั้นนะ่ะมีคนไปทูนวันที่จะเกิดเรื่องใกล้ๆวันที่เกิดเรื่องเนี่ยไปทูลพระเจ้าประเสนว่าโจนงคุลิมานคนทิ้งหมู่บ้านนะ่ไม่เคยมีโจนคนไหนที่ทําให้หมู่บ้านล้างเท่ากับโจนงคุลีมานเพราะโจนคนอื่นเนี่ยเขาปล้นเอาทรัพย์ใช่ไหมมุ่งเอาทรัพย์ไม่เอาชีวิตไอ้ที่ต้องฆ่าเนี่ยเพราะมันมันเป็นเหตุจําเป็นเรื่องอการปล้นทรัพย์และความปลอดภัยส่วนตัวแต่โจนองค์คุลีมานเนี่ยแข็งแรงมากด้วย แล้วก็ฆ่าเอาชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นคนทิ้งหมู่บ้านหมู่บ้านล้างในเยอะแกก็ต้องไปซุ่มคือผมไม่มีหมู่บ้านคนฆ่าแกก็ไปเที่ยวซุ่มในที่ที่เห็นว่าเหมาะที่นี้พอข่าวไปถึงในวังในหลวงก็เรียกพ่อมาถามพ่อเขบอกเออไม่เป็นไรจะทํายังไงก็ได้ก็ไปเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาก็ห่วงห่วงลูกถึงลูกยัเป็นโจรก็ยังรักลูก พอ่อเขบอกเออไอ้ลูกอย่างนี้ฉันไม่ต้องการหรอกตายแล้วก็ดีเกิดมาทําให้เสียชื่อเสียงพ่อแม่เดือดร้อนแม่ก็เลยบอกอ่าถ้าเธอไม่ไปเกลียดกล่อมฉันจะไปเองก็เอาสเสบียงเดินไปจะไปเกลียดกล่อมลูกให้มอบตัวแต่โดยดีนะอย่างน้อยก็พอจะไม่อยากให้มาถ้าถึงตายก็อย่าให้ตายอย่างขนาดอย่างนี้ตายอย่างข้างถนนนให้ตายดีหน่อยอาจจะไม่ตายก็ได้ก็ไปพราะ องุริมานเห็นแม่เนี่ยหน้ามืดหน้ามืดคือไอ้คนทำความชั่วมากๆเนี่ยนะหน้ามืดจริงๆนะแม่เรื่องง่ายๆความรู้สึกตื่นตืนก็ไม่อาจจะรู้สึกได้เข้าใจไหมฮะหน้ามืดผมยังมาเนึ่งถึงไอ้ที่เป็นข่าวทางเศรษฐกิจนี่ก็ยังบ่นเดียดายว่าวงสกุลก็ดีอะไรก็ดีนะแต่ว่าเท่าที่รู้จาก คนที่เรียกว่าอยู่ในวงในแล้วก็คือไปสร้างเงื่อนขายไอ้ชนิดที่ทำให้ตัวเองต้องหน้า ม, มึดก็เลยทำโดยไม่ต้องฝืนใจอะไรอย่างงี้นะก็เลยเกิดไอ้เรื่องเลยเถิดไปถึงขนาดนนะั้นจไว้อย่างนะความชั่วทำเยอะๆแล้วหน้า ม, มึด <c oughs> เหากินบ่อยๆแล้วก็หน้า ม, มึด เพิ่มได้ทีละหน่อยทีหน่อยประเภทเนี่ยสะสมไปเรื mm ่อ hmm. ยโบราณอ่จจะเรียกว่าผีเข้าสิงอะไรก็แล้วแต่เลย mm hmm. ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ก็เรู้ว่าเนี่ยรู้ว่าจะต้องฆ่าแม่ก็เลยเสด็จไปคนห้ามไม่ให้ไปท่านก็นไปก็ไม่ในพระสูตรเล่าว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากพระสูตรเนี่ยนานๆอ่านทีก็ซึ่งทุกทีใครมีโอกาสไปอ่านนะกลับไปอ่านวันนี้ก็ได้องคุลีมานสูตรในมัชิมานิาย ถ้าเป็นพระไตรปิฎกของกรมศาสนาก็เล่มสิบสี่หรือสิบสามนะอาจจะสิบสามก็ได้อยู่เล่มสิบสามถ้าเป็นของวัดบวงก็ต้องดูเอาเอามัททิมานิกายมัททิมะปะนาตไปเปิดดูในนั้นเล่าแบบเรีย บ, ยบง่ายๆแต่ซาบซึ้งมากซาบซึ้งทุกทุกฝ่าย ทราบโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเมื่อท่านบท่านบวชแล้วการพูการจาท่านถึงเราจะไม่เห็นภาพแต่ก็วาดภาพได้ทราบซึ้งมากนี่ไม่ใช่ซึ้งไม่ใช่ซึ้งและเยเลินรอยตามท่านตอนแรกทราบซึ้งในช่วงหลัง พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเพราะเห็นรูกเจ้าก็นึเออแม่แม่จงไปเราจะฆ่าสามัญะคนนี้แล้วก็วิ่งเวลาวิ่งไล่กวดที่นะฮะวิ่งจนหมดแหละจนหมดแรงวิ่งนะพระพุทธเจ้าทรมานเอาถึงขนาดนี้เลยมันไม่ใช่ขาเป็นตะเกิวบวิ่งจนหมดแรงก้าวเท้าไม่ออกเหงื่อแตกแล้วแตกอีก ถึงหยุดยืนแล้วก็พูดให้พุทธเจ้าหยุดเนี่ยไอตอนพูดให้หยุดเนี่ยก็ไม่ใช่พูดแบบสะพานแล้วว่าหยุดเฉันหมดแรงวิ่งไล่ฆ่าแล้วหยุดให้ฉันฆ่าซะดีๆไม่ได้หมายความยางงคือเกิดความลา้าเกิดความท้อว่าเอ๊ะพระองค์นี้ประหลาดเราวิ่งจนสุดแรงท่านเดินปกติแต่ว่าอระยะห่างเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราหยุดท่านก็ยังเดินแต่ก็ระยะก็ยังเหมือนเหมือนเหมือนเดิมะถึงว่าเหมือนอเหมือนผีหลอกเหมือนผีหลอกถ้าไปอ่านหรือใครเคยเจอผีหลอกแบบผีเดินนําหน้าเราเดินตามหลังนะแล้วก็แหมมันรักษาระยะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราเดินเร็วมันก็อยู่ตรงนั้นเราเดินช้ามันก็อยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของฤทธิ์อะ พระเจ้าจึงได้โอกาสเทศบวเทศก็โหดีเหลือเกินผมเสียเวลาจัดคัดมาเยอะแต่เสร็จแล้วสิ่งเลี้ยวแรงที่ผมคัดมาก็จำเป็นต้องปล่อยให้เป็นหมันไปเล่าเท่านี้เมื่อวันนี้เมื่อเสร็จแล้วท่านก็บวชไดน้นี่ปนญหาว่าบวชเนี่ยบวชเป็นแบบไหนเอาใครเคยได้ยินบ้าง พระองคุริมาณบวชแบบเอหีหรือแบบโคนหัวตอบว่าเอหีเป็นพระที่บวชแบบเอหีถามว่าพระองคุริมาณได้รับยกย่องเป็นเอตะทักษะทางไหนไม่ได้รับยกย่องไม่รู้จะ ย, ย, ยกทางไหนถ้ายกก็ยกยกเลิศในทางกลับใจ อ, อย่างนี้ก็อาจจะพอได้แต่แม้ไม่ไมัเคยจะได้ดีไม่เคยจะหน้าภาคภูมิอะไรต่้งหลา อรหันท่เลิศในทางความเป็นโจรกลับใจบูตเป็นพระและพระเจ้าปเสนและกองทัพที่เดินทางไปเนี่ยพระพุตเจ้าพูดเตรียมใจให้ทําใจไว้ก่อนอย่างดีแล้วนะแล้วก็ชี้ไปว่าองคุริมานนั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละครับ อ, อกใจเลยคือคนที่ <c oughs> เราได้ยินชื่อเสียงว่าน่ากลัวแล้วก็มีลักษณะที่น่าจะพึงกลัวด้วยเนี่ยนะ มันทำให้จิตใจคนหวั่นไหวได้โดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่มีกำลังใจออกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอุปาทานได้เลยนะข้อ น, นี้มาถึงอีกองคหนึ่งแล้วนะครับท่านอนุรุท ธ, ธะเป็นเลิศในทางตาทิศท่านอนุรุท ธ, ธะก็เป็นเป็นผู้มีบุญมากองค์นี้แหละครับที่ขนมไม่มี คงจำได้นะขนมนไม่มีเล่นกันเอ่แม่บอกขนมหมดแล้วขนมนไม่มีเกิจะกินขนมนไม่มีพอไ ป, ปยกมาก็มีขนมนไม่มีนไม่รู้ขนมนอะไรนะจะได้มาทําแบบนั้นแล้วเรียกคือแล้วใ ห, ให้ให้เป็นเรื่องในกมปีเป็นขนมนไม่มีอ่าองค์นี้ก็ออกบวชพร้อมๆกันกับ ท่านอนุนนะครับทนุบาลีแล้วก็ได้มาบรรลุทำให้ได้บรรลุทันทีบรรลุ <c oughs> ค่อยๆบรรลุและที่มาบรรลุเป็นพระละหันเนี่ยก็รูธเจ้าแสดงพระสูตรสําคัญสูตรหนึ่งให้ฟังมาหามาหาปุริสระวิตกขอผ่านเลยท่านไปเอที่ท่านได้รับยกย่องทางตาทิพย์เนี่ยท่านบุญทําบุญเกี่ยวกับเรื่องดวงตาไว้เยอะนะอันนี้พูดถนัดก็ได้ ว่าบูชาประทีปมันคือบูชาด้วยประทีปคือจัดภาชนะบูชาองค์พระเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ทำความอธิษฐานไว้แล้วก็ทำบุญแลักสณะอย่างนี้ครั้งกันอื่นอีก ต่อไปอีกองค์หนึ่งท่านปาราสริยะท่านปาราศริยะนี้เป็นองค์เดียวกับที่พูดมาในองค์ที่หนึ่งร้อยสิบหกนะในที่นี้มาแสดงคำสอนพิเศษต่างอยากส่วนนั้นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ต่อไปองค์ที่มีชื่อว่าปุตตะท่านปุตตะนี้เป็นโอรสของพระเจ้ามัณฑริกาพระเจ้ามัณฑริกานี่น่าศึกษาประวัติมีลูกเป็นพระอรหันต์หลายองค์เลยนะครับผมยังไม่ทราบประวัติโดยละเอียดของท่านซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นแคว้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับแคว้นมคตเราเอ่ยชื่อของของท่านบ่อยครั้ง ในการพูดถึงประวัติของพระอรหันต์ที่ผ่านผ่านมาอองค์นี้นะ่ะท่านปุตสาเนี่ย <c oughs> เคยบวชเป็นดาบดมาก่อน อ, องค์อื่นๆที่เป็นโอรสของท่านเนี่ยบางบางองค์ก็ครองราเดเสร็จแล้วก็ประสบความล้มเหลวในการคลองราดก็ออกบวชแต่องค์นี้ออกบวชเป็นดาบดด้วยอุปนิสัยทางเนกธรรมะและจึงได้มาพบพระพุทธเจ้า ได้เลื่อมสได้บวชใหม่และได้เป็นพระอาหารหันต์ไปเอาละครับใกล้กันมาแล้วนะอีกองหนึ่งท่านสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเป็นเอตทัตค้าทางด้านไหนด้านปัญญาเอ่ออันนี้มีข้อที่ควรจะทราบไว้อย่างหนึ่งบางทีเราเจะเบิบเหลอไปว่า ภาษาลิบุตรเนี่ยได้รับยกย่อง เ, อเป็นได้รับยกย่องว่าเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายความเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาไม่ใช่ตําแหน่งเอตตคกะนะเป็นตําแหน่งปรารถนาตําแหน่งทางบารมีแล้วก็เป็นตําแหน่งทางที่พุทธเจ้าให้ความสำคัญรองจากพระองค์แต่ไม่ไม่เป็นตําแหน่งในเอตตคกะตําแหน่งในเอตตคกะของท่านคือปัญญา ตำแหน่งพุทธบิดาก็ไม่ใช่เอตสักคะพุทธมารดาไม่ใช่เอตสักคาแล้วก็พระเทวีพระราชโอรสก็ไม่ใช่เอตสักขาอีกเหมือนกันท่านไปได้เอตทักขาในในส่วนอื่นไม่ใช่ส่วนนี้คือพระราหุ่นไข้ในการศึกษาพุทธบิดาก็ไม่ได้เอตสักขาอะไรเรารู้ว่าท่นานพระสารีบุตรที่เกิดในสกูลพราหมณ์ ในแคว้นมคธนะคะแต่ว่าอยู่นอกเมืองนะอยู่ที่นาลกะขามที่เป็นที่ทั้งของมาวลหารนาลันทาแล้วก็มีเพื่อนคือโกลิตะตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้วนะเวลาที่มาได้พบทมเพราะอะไรคือระยะเวลาที่สาริบุตรกับโกลิตะไปบวชอยู่กับสันชัยเวรัตบุตรเนี่ย ถ้าเราไม่ได้นึกอะไรมากก็นึกว่าไปบวชอยู่นานความจริงท่านใช้เวลาศึกษาคําสอนทฤษฎีของสัญชัยเวรัสบุตรเนี่ยแค่สามวันนะเนี่ยแล้วก็รู้ไม่มีสาระต้องการจ ะ, สะแสวงหาต่อไปแต่ยังไม่มีที่ไปก็เลยทําสัญญากับเพื่อนไว้ใครเจอก่อนให้มาบอกกันก็เราก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีของสัญชัยเนี่ยมี ตำรับตำลาอะไรมากมายขนาดไหนนะเรามันนึกถึงว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาสนใจาศาสนาอื่นใช้เวลาอาทิตย์เดียวอ่านหนังสือหมดเลยหมดเลยจบหละในการหาคําตอบไอ้ที่เขาอยากได้เพราะตำลาอย่างของาศาสนาที่เขามีอยู่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องอภิธรรมจิตเจตสิก เรื่องปฏิจจะอะไรกันลึกๆอย่างนั้นแต่ละหน้าแต่ละอย่างเนี่ยโหบางทีอ่านกันค่อนคืนก็เข้าใจไม่ละเอียดอะก็เลยรู้รู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่ายังสนองความต้องการตัวไม่ได้และจึงไปพบพระอัจฉริดังที่รู้นะครับแต่หลังจากนั้นจึงพากันไปบวชพาลูกศิษย์ไปด้วยท่านพระสารีบุตรนั้นบวชในภาษาที่ใดภาษาที่สองใช่ไหมภาษาที่สอง ตีเทวภาษ า, าสองภาษาแรกนั้นโปรดเป็นจักรวัคีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเจดินทสามพี่น้องแต่ภาษาลิบุตรท่านปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าสิบเดือนต่อไปท่านอานันทะก็คือพระ อ, อนนท์นั่นเองพระอานนท์นั้นเป็นพุทธุปทาโดยตําแหน่งแล้วก็เป็นโอรสของพระเจ้าอมิตรโตตนะเป็นพระเจ้าอาบุตรเจ้า ประวัติบอกว่าท่านอนนท์เนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าได้รับอรัตนาลงมาพระโพธิสัตก็ชวนพระพระอนนท์คือรู้กันมาล่วงนานแล้วว่าใครจะเป็นใครจะต้องไปเป็นอะไรก็ลงมาจูติปฏิสนธิในวังเดียวกันและเกิดในวันเดียวกันเป็นสหาชาติ แต่อตอนหลังพระนรินท์มาได้รับตําแหน่งอุปถากเนี่ยถ้าถามว่าได้รับตําแหน่งว่าถาพัรษาที่เท่าไหร่ตอนนี้เลือกอธิบายตรง น, นี้ได้รับแต่งตั้งในพรรษาที่ยี่สิบแล้วครับไม่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่แรกหรอกท่านบวชมาก่อนหน้านั้นนานแล้วเพิ่งมาได้รับแต่งตั้งก่อนหน้านั้นก็มีพระหลายองค์ครับที่หมุนเวียนทําหน้าที่เป็นพุทธอุปถาก กระทั้งวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเออายุเราก็มากขึ้นน้องว่ากิจก็มากขึ้นควรจะมีอุปถากประจําพวกพระทั้งหลายก็พากันอาสาพระสารีบุตรก็อาสาพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งเสร็จแล้วพระก็ะบอกว่าท่านอา น, นท่านอาสาบางทิพระอนุท่านก็ล่ขออาสาพอขออาสา พ, พ, รพระพุทธเจ้าก็จะทรงรับล่ะ ท่านอ น, นุนก็ขอพอรแปดพรแปดเนี่ยก็คือพอรพรปฏิเสธสี่พรขอสี่พรรับสี่นะไปเสก็เช่นว่าไม่ประทานจีวรที่บะนิธให้ไม่ให้นอนในกุฏิเดียวกันพรขอก็เช่นว่าเมื่อไปทรงแสดงธรรมที่ไหนข้าพระองค์มาอยู่ด้วยให้มาแสดงซ้ำให้ฟังแล้วก็ถ้ามีใครที่ก็เดินทางมาจากที่ไกล ต้องการจะขอเฝ้าขอให้ข้าพระองค์เน่ได้พาเข้าเฝ้าได้โดยทันทีและถ้าข้าพระองค์ไปรับนิมนต์ไว้ที่ไหนขอให้เขาบอกข้าพรมุสลิมพระพระุทธเจ้าพระสงฆ์แล้วไปรับไว้เนี่ยขอให้พระองค์รับสเสด็จให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเสียหน้าหมดหน้าแตกหมดแต่ท่านก็คงจะพิจารณาที่จะรับนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขอก็ความจริงที่ขอนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของท่านเพื่อท่านมีเหตุผลอธิบาย พระ อ, อ น, นุนบรรลุเป็นพระอราหันต์หลังพระพุทธเจ้าพระนิพพานครึ่งนั่งครึ่งนอนอย่างเรารู้ดีนะในนี้พระนาวพยกเท้าขึ้นพ้นพืนพ้นหน่อยหนึ่งหลังยังไม่แตะพื้น น, นั่นแหละคือลักษณะเอเนึ่ยท่านบรรลุตอนนั้นแล้วก็จึงมาสู่ที่ประชุมทังฆาณาด้วยฤทธ <c oughs> นี่เป็นเรื่องของพระอานุนต่อไปครับท่านมาหากระสป่ า, านี่มาอยู่ตรงนี้เองเป็นพระเทล่ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกัน <c oughs> ท่านมาหากระสปานี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นชีวิตที่ประหลาดอีกเหมือนกันทั้ง <c oughs> ตัวท่านและตัวภรรยาซึ <c oughs> ่งอยู่คนละเมืองกันตัวท่านเองเนี่ยไม่ปรารถนาจะมีครอบครัวตั้งแต่ จำความได้พอเป็นหนุ่มพ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานพอเป็นลูกคนเดียวร่ํารวยมหาศาลมาตอนนั้นอายุยี่สิบแล้วพ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานก็ไม่อยากแต่งแต่ก็เห็นว่าควรจะต้องใช้อุบายซะหน่อยก็นึกว่าพ่อแม่คงจะทําตามสัญญาไม่ได้คือให้หล่อทองแท่งเป็นหญิงสาวอสวยงามแล้วก็ให้ไปหาคนที่สวยอย่างนี้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น เอารูปนี้ไปไปเทียมหน้าเพรถ้าใครสวยอย่างนี้ก็ก็จะยอมแต่งงานก็นึกว่าไม่มีนะเนี่ยก็ไปที่เมืองของเจ้าสาวเนี่ยเจ้าสาวเองก็เป็นคนที่ใจโน้มมาในทางเนคขมมะเหมือนกันเพราะทั้งคู่เนี่ยสร้างบา ร, รมีด้วยกันมาเรื่องบา ร, รมีเก่าๆนี่เล่าไว้ยืดยาวแต่ก็มาเกิดเป็นค น, คนละเมืองกันแล้วมีความรู้สึกตรงกันคราวนี้ ทั้งของฝ่ายเป็นลูกเศรษฐีวันหนึ่งลงมาอาบน้ำก็มีพี่เลี้ยงคอยแหนคอยดูแลนะพออาบเสร็จพี่เลี้ยงก็ไปส่งตัวก็ลงมาหาพระามก็เอาตุ๊กเอาตุกาต๊กตาทองมาแล้วหุ่นทองเอามาตั้งมาตั้งรอท่าเผื่อจะมีการทักปิดทัดสุขอะไรพอมาตั้งเสร็จแล้วพี่เลี้ยงพอลงมาเห็นอีกทีรีบพูดเลยพวก น, นี่คุณหนูคุณหนูมาแต่มาไหร่ใครพามา นอกนี้นะพูดอย่างคนรับผิดชอบเอ๊ะทําไมเฉยเอามือไปแตะหลังเออไม่ใช่นี่เป็นลู่ซองพวกพราม์คณะกรรมการแปดคนเขามาเลยบอกนี่ท่านพูดถึงใครบอกเนี่ยฉันนึกว่าคุณหนูของฉันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าคุณหนูฉันสวยกว่า น, นี้ทั้งหลายเท่ายัางพูดว่างานสวยกว่า น, นี้ทั้งหลายเท่าบอกพราหมเออได้การแล้วเลยพาไปหาพ่อ ก็ไปเล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดพ่อก็เห็นว่าสกุลเสมอกันคงเกี่ยวเป็นบุญของทั้งสองคนนี้ก็เลยตกลงรับมันเอาหุ่นทองไว้บ้านแดาสาวนะพรามก็กลับไปอพอกลับไปบอกทางนุ้นกัสปะมานพบซึ่งชื่อตัวนี่คือปิดปลิวามานบปิเปลีมานบ เขียนจดหมายมาบอกเจ้าสาวเลยว่าอขอให้เธอแต่งกันดืวยฉันไม่ชอบการกองเลือนนะเธอแต่งก็จะลําบาก <c oughs> ก็เขียนจดหมายไปให้คน น, นําจดหมายไปเปิดอ่ากนกลางๆเสียมเมรยยะไอ้ทางก็ไอ้ทางนู้นเขาก็เขียนจดห ม, มายมาแล้วก็มาเปิดอ่านเลยมาเขียนแต่งจดหมายใหม่พารนาแต่ว่าแหมฉันยังงูดเป็นดีนะ ก็เลยเขาเรียกว่าไอ้ไอจดหมายนั้นไปสะกิดบุญความผูกพันเก่าไอ้ที่คิดทีแรกนะคิดตามบา ร, รมีที่ปรากฏพอไอ้จดหมายสองขวายเขียนเนี่ยไปสะกิดไอ้ความผูกพันเก่าก็เขาเอิ้นกระดิมกันก็เลยแต่งงานกระทั่งส่งตัวเข้าหอต่างคนต่างกลัวกันบอกสมัมสัญญาว่าเธอหารกลางนูน้นอย่าหารกันนี้ห้ามแตะต้องตัวกัน ก็ต่างคนต่างพูดอย่างเดียวกันก็ก็เลยอยู่กันโดยทีเ่เป็นสามีภรรยากันแต่ในานามจนได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วอ้อยังสิยังไม่ได้ข่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่มาได้ความสังเวชใจว่าไอ้ชีวิตเราเนี่มันเนื่องด้วยบาปเพราะว่าเห็นพ่อแม่ทำธุรกิจอะไรแต่ไรนีนะ่มันเกี่ยวกับบาป ต้องฆ่าสัตว์ต้งอะไรอะไรเนี่ยตัวมันคงโรบาบ้ากก็เลยคิดว่าเราควรจะบวชก็จะยกทรัพย์สินเนีภรรยาภรรยาก็ไม่เอาก็มาอยากได้บาปก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเราต่างคนต่างออกบวชแต่งตัวเป็นนักปรดบนประสานแล้วเดินลงมาลุงน้องจับไม่ได้ก็เลยเดินออกมาพอออกไปถึงระยะหนึ่งต่างคนต่างก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะที่เราออกบวชแล้วทำไมมาเดินตามเขาต่อยต่ออีก มันก็เท่ากันไม่ได้บวชเพราะนั้นเราควรจะแยกทางกันไปเธอก็ไปตามทางของเธอฉันก็ไปตามทางของฉันเอาความคิดเราเข้าไปจับเนี่ยแหมมันช่างปวดเจ็บปวดว่าใจเหลือเกินใช่ไหมล่ะแต่คนที่เขามีนมาเนี่ยคำมัเนี่ยเขาเขารู้สึกมั่นใจในธรรมะของเขานะก็ไปพระพุทธเจ้านั้นได้ไปพบพระกัสปะเนี่ยได้ไปพบลูกพระพจา่าทรงประทับนั่งดักรออยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ก็พอเห็นเข้าท่านนั้รู้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาจะแสดงตนเนี่ยท่านจะแสดงเป็นสองแบบแบบหนึ่งคือแสดงเพศของพระพุทธเจ้าเต็มที่อีกแบบหนึ่งคือไม่แสดงเพศเต็มที่ด้วยเหตุผลอ่าถ้าแสดงเพศเต็มที่หมายว่าแนะนําตัวในทีเลยว่าคนที่มีบรารมีมีลัศมีอย่างนี้มีอาการเนี่ยนี้มีความปองใสอย่างนี้ไม่ใช่คนธรรมดา วันนั้นท่านแสดงเพศเต็มทีทําให้รู้ว่าท่านกษัติย์ปะเนี่ยจะรู้ทันทีและรู้แล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคหมายก็อุปสรรคต่อการบรรลุธรรมพอมาเห็นเข้าก็รู้ว่าก็ไปกราบท้าวว่าท่านเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นลาวกของอพระผู้มีพระภาคก็ขอตัวบวชใหม่นะฮะพระพุทธเจ้าก็บวชให้แล้วก็ประทานธรรมะให้ปฏิบัติธรรมอย่างตั้งแต่บรรลุ เป็นพระหลานแต่บรรลุเป็นพระหลานไม่ใช่บรรลุทันทีบาบรรลุในวันที่เจ็ดประวัติระบุไว้ชัดเจนอย่างนี้บรรลุวันที่เจ็ดที่ไปโปรดปุกพระปุกุสาตีนะไม่ได้ไปในเพศพระพุทธเจ้าเต็มที่เพราะอะไรเพอกลัวท่านปุกุสาตินะีจะศรัท ธ, ธาจนพูดจากันไม่รู้ต่อไปนะอ่จะจะหมดแล้วนะฮะ ท่านตาละปุตตะฮองค์นี้องค์เดียวกับองค์ที่อยู่ในสูตรคือตาละปุตตสูตรคือนักบวชอ่ะเป็นเป็นถ้าเดี๋ยวนี้ก็เราถ้าเป็นอเมริกาก็เห็นจะเป็นนั่นะเทียบได้กับนักร้องคนหนึ่งที่มันดังเรี่ยงไปลาเนี่ยที่เคยมาเล่นเมืองไทยนั่นแหละ ประสบความสำเร็จในทางวิชาชีพนี้อย่างยิ่งแล้วก็ร่ำรวยด้วยมีคนมาคลั่งคล้ยมากด้วยเพราะนั้นวงของของแกเนี่ยตอนนั้นะ่ะมีห้าร้อยชีวิตที่ฝ่าชีวิตว่ากับแกแล้วเวลาคนมาดูมาอะไรมันโหมันเล่าแล้วเหมือนพันลนานแล้วนี่เขาเขียนมาก่อนให้ดาราสมัยนี้จะเกิดนะ ไอ้ที่มีอาการอย่างวังหลังวังหลังเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับคลั่งไครขนาดนั้นคือผู้งาวัฒหัวกัพวกนี้นะพูดให้คนเป็นยังไงก็เกิดจะได้พูดง่าสั่งให้แก่ผ้าแก่ว่าแก่ผ้าแก่เลยทําอะไรก็ได้มันมันคลั่งขนาดนั้นนะ น, นะ แต่ผมไม่รู้อเมริกาก็จะทํำกันอย่างงี้ผมไม่ทำมั้งผมไม่ต้องไปสัง่งหรือเด็คนเล่นมันแก้มาเ น, นี่อย่างอย่างคนที่คู่กับผู้ชายเนี่ยนะผมผมจําชื่อได้แต่ผมทําท่านมาแคอยัาจําไม่ได้ไปแล้วงั้นจะได้ไม่ต้องพูดถือให้มันอยู่ในนีน้มันก็เรียกว่ามันยั่วยวนคนนะนะใช่ไม่ใช่มันอาไอ้ไอเรื่องนาฏกรรมเนะี่ยมันมีหลายอย่างนาฏศิลป์เนี่ยนะมีหลายอย่างหลายแบบ มีทั้งเป็นลักษณะที่ทำให้คนโอ้ลืมตัวโมเมาก็ได้ทำให้คนไปมีพฤติกรรมไม่ดีอย่างอื่นซืบต่อไปก็ได้มันก็เลยไปคาบเกี่ยวกับความเป็นบาปเป็นกรรมตรงขนาดเมื่อคืนนี่ผมเปิดข่าวแล้วก็มีข่าวหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนักแสดงที่เป็นข่าวแล้วก็ไป ไปแสดงแล้วไปเต้นต่อหน้าคนเนี่ยผมยังเสียวแดนเลยครับยังมีความรู้สึกหว่าแหมไม่ไม่น่าจินชมในความรู้สึกเราแต่มันไม่ใช่ทํารุนแรงอย่างนักแสดงที่อเมริกาเขานะแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นอาการยั่วยุ่ะนะเป็นอาการยั่วยุซึ่งผมไม่อยากจะอธิบายว่าอย่างไรนะฮะแต่ความรู้สึกผมตอนนั้นว่าอย่างนี้ยั่วยุหมายถึงยั่วยุในทางเพศอ่ะ เอางันกันละกนันนี่เป็นความรู้สึกของคนคือคืออย่างผมเองนะฮะมันอาจจะไม่ได้หนักหนาอย่างที่ผมรู้สึกไปงั้นก็ได้เอาละนนี่มาถึงท่านองค์นี้นะ่ะท่านมีอาชีพนักสแสดงแต่เป็นคนที่มีบา ร, รมีอย่าบรรลุทําได้ตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนเมืองเลยจีเดียแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างที่ผมเคยบอกสมยัยก่อนกลุ่มวิชาชีพเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่ม แล้วก็จะมีคนที่เก่งทั้งวิชาชีพนั้นอย่างมากเป็นพิเศษเนี่ยหรือประสบความสําเร็จในทางวิชาชีพนั้นเป็นพิเศษสูงสุดเนี่ยจะได้รับยกย่องให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นถ้าคล้ายๆว่าเราจะไปหายิเกเนี่ยไปเลยหมู่บ้านนี้ไปจังหวัดนี้เดี๋ยวนี้อาจจะจังหวัดนี้อําเภอนี้จะมีแหล่งยิเกแหล่งลําตัดอย่างงี้นะเรียกว่าหมู่บ้านนี้นะ่มีแต่คนที่เป็นอาชีพทนี้ เ, เขาเรียกว่านัตตาคามนีคามนีแปลว่าผู้ใหญ่บ้านเลยกำนันนัตตาก็คือนาตะซึ่งหมายถึงการแสดงเดี๋ยวนี้อาจจะมาแบ่งเป็นยงงอย่างงี้แต่สมัยก่อนเนี่มันรวมๆกันอยู่ว่าการละเล่นแบบไหนแบบไหนแกก็ไปเที่ยวแสดง น, น, นานๆถึงจะกลับมาหมู่บ้านทีนไปเนี่ยโอ้ยนานกลับมาทีทีนี้ครั้งที่ได้มาบรรลุธรรมเนี่ย คือครั้งสำคัญที่ท่านผู้นี้ได้เดินทางกลับมาเยือนบ้านเกิดซึ่งตอนนั้นพระผู้มีาภาคทรงมาประทับที่พระเวรวันบดีเมื่อได้มาถึงที่นี่ก็จึงให้การสนใจว่าเออเราก็ถูกคนอื่นเข้ามาดูคนอื่นเข้ามาฟังมาตลอดเนี่ยเราน่าจะไปฟังคนอื่นเขาบ้าไปดูคนอื่นเขาบ้างก็จะไปดูพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้า ก็จึงไปเฝ้าโอาเจ้เทพแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันด้วยคำสนทนาธรรมอันหนึ่งที่ปราที่ไปเป็นเรื่องที่ไปอยู่ในสูตรนั้นด้วยเนี่ยนะคือท่านถามว่ า, าตัวเองมีอาชีพอย่างนี้ด้วยอาการต่างๆอย่างนี้ตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ ชั้นนี้ใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าห้ามว่าอย่าถามเลยถามครั้งที่สองห้ามอย่าถามเลยถามครั้งที่สาห้ามอีกว่าอย่าถามเลยพระพุทธเจ้าก็ ท, ทําทีเป็น จ, จําใจความจริงอยากตอบนี่เขาเรียกว่าเป็นวิธีเดชนาและนี่ไม่ใช่มายาเนอะคนละเรื่องกับมายานะมายาต่างกันที่กุศลจิตกับกุศรจิตเท่านั้นเอง นี่กุศล จ, จิตที่แยบยนต์ก็เมื่อจะถามก็เลยบอกว่าไม่หรอกเนี่ยอย่างนี้ไปอะไปนรกว่างไปอาบายตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ดีไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะไป็กระทกะเทือนกันจริงๆแล้วคนฟอนํำกับ้องก็ลยไปสวรรค์ได้ด้วยเงินไขแง่มุมนะ แต่กรณีของของท่านนี่ท่านบอกว่าไปอาบาแกก็ร้องไห้เลยพระเจ้า ก, ก็บอกว่าเราห้ามเธอแล้วถึงสองครั้งว่าอย่าถามเลยอย่าให้เราต้องพยายากรอนแกเตอเลยแกก็บอกว่าที่ร้องไห้ไม่ใช่เราเสียใจว่าโดนหลอก ก, อกนะนะ็ถูกหลอกอนะคนเราเนี่ยนะถูกหลอกแล้วให้ทําอะไรอย่างชนิดที่มันไม่ใช่อย่างนั้นมาเป็นเวลายาวนานเนี่ย มันช้ำใจเหมือนกันนะว่าทำไมใครหลอกคืออาจารย์ทางนี้มาเสี้ยนสอนอย่างนี้หลอกให้หลงทำอะไร ะ, ะไรด้วยความสำคัญหมายว่าจะไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยกันด้วยอาชีพอย่างนี้เกือบแค่เสียโอกาสก็เลยเสียใจตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงให้บวทเมื่อ ขอบวชเมื่อบวชแล้วก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ไปในที่สุดผมไม่วิาพากวิจารณ์อะไรอีกทั้งที่เรื่องนี้พูดแค่นี้นะไม่พอเดี๋ยวพวกดาราเขาใช่ไหมมายอมคบผมครับองต่อไปครับนี่ลองสุดท้ายแหละท่านพระโมคคัลลานะท่านพระโมคคัลลานะนั่นเราก็จาชื่อท่านไดแมนยัมรู้ประวัติท่านดีว่าหมู่บ้านของท่านนะ ไปอินไปอินเดียก็ผ่านผ่านบ้านท่านบอกลาน้าไหมาผ่านนะฮะอยู่คนละฝากถนนเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็ยังไม่มีถนนเป็นสกุลใหญ่ที่สัสองสกุลนี้อคบค้ากันมาเจ็ดชั่วคนเลยสองท่านที่สร้างบา ร, รมีมาด้วยกันนั่นก็เลยมาบรรลุทำในโอกาสเดียวกันพระสารีบุตรบรรลุเจ็ดวันอ่ะสิบสี่วันบรรลุที่พระสารีบุตรบรรลุเนะี่ย ทรำสุกราคาตาเราไปเห็นมาแล้วนะบรรลุในวันที่สิบสี่ที่นั้นเป็นพระอรหันต์บรรลุในขณะฟังธรรมพระพุทธเจ้าสแสดงที้านากาสูตรแก่ที้านากาปริปาชกผู้เป็นหลานของท่านพระสารีบุตรอยู่ส่วนพระโมคคัลลานะเนี <c> ่ย <oughs> บรรลุที่กัลวาลขาก็ถ้าว่าถึงในพระสูตรเนี่ยก็เห็นจะไม่ใช่ที่ที่เราไปดูกันนั่นแหละครับ อาจจะเป็นที่พักของท่านในการอื่นแต่ไม่ใช่ที่ที่ท่านบรรลุจําได้ไหมที่เราไปถ่ายรูป ก, กันมาก็ที่ที่ท่านบรรลุเนี่ยระบุว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่ากันลวาลคามแต่อยู่ในแคว้นมคธเหมือนกันบรรลุตอนที่ท่านง่วงนะและ้วพระเจ้าไปแสดงธรรมแก่ง่วงกลมความง่วงได้จเจริญวิปัสนาและบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศในทางลิตรองสุดท้ายท่านพระวังคีสะ ท่านวังคีสาเกิดในสกุพลพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีได้รับยกย่องเป็นเลิศในทางปฏิพานปฏิพานกวีท่านวังคีสาก่อนบวชเนี่ยก็เป็นมานุบหนุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกคณะพราหมณ์ที่เที่ยวพาไปทําม้ากินด้วยวิธีการเคาะกระโหลกศีรษะเพราะมีมนเคาะกะโหลกแล้วรู้่าใครไปเกิดที่ไหนคล้ายๆกับลากองใดองค์หนึ่งที่เราเคยพูดถึงเมืแล้วเหมือนกันนะ สององค์นี่มีความรู้ทางมนเหมือนกันอพวกพระรามเนี่ยวันนาเขาเอาะไรความได้วันนาของเขาเนี่ยมันคือการหากินของเขาคือลาภการลาของเขาอยู่ในทีนั่นเองอย่างที่พูดกันบ่อยๆถ้งใครไปปฏิเสธวันนาเข้าปิเศษอะไรของเขาเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะนั่นคือการทําลายโอกาสในการทามากินของเขาอย่างอย่างรุนแรงเป็น ง่เห่ากับพังพรกัศาสนาพุทธเรามาตลอดก็เรื่องที่ท่านได้มาบรรลุธรรมเนี่ยเราคงจะได้ยินกันบ่อยแล้วนะว่าได้ไปหากินที่ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยครับก็วกไปเวียนมาแล้วก็ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงมาประทับอยู่มีคุณอย่างนี้อย่างนี้ก็อยากจะไปเฝ้าพระครามไม่อยากให้ไปหรอกแต่ก็ดื้อที่จะไปโดยเพราะด้วยบารมีเก่านะพระสุ่ก็ไปเฝ้า ไปเฝ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เอากรโหลกพระอรหันต์มาให้เคาะแล้วก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าก็เลยให้โอกาสเรียนรู้มนของพระองค์ด้วยการมาบวชโดยให้พรามณรออยู่ว่าได้วิชาแล้วก็จะศึกออกไปด้วยกันทําไปทํามาเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยไล่พรานก็กลับไปไม่บวชไม่ไม่ศึกนะอะท่านวังคีสะเนี่ย บวชไม่ใช่ด้วยเอหีพิภู菩萨ธรมมาท่านโมกขลานะเอหีส่าสาริบุตรเอหิลูกศิษย์ของท่านอีกทั้งหมดเอหีหมดเลยแต่ท่านวังคีสานั้นบวช ด, ด้วยวิธีธรรมดาพุทธเจ้าสั่งให้พระนิโคทัะกับปะซึ่งเป็นอุปชาของท่านเนี่ยเป็นผู้บวชให้ในอนัตตุของพุทธเจ้าก็เป็นนั้นว่า การเล่าประวัติไล่ที่ลงธรงเนี่ยนะครับตั้งกระต้นหมามันช่างยืดเยื้อยาวนานถ้าเกิดเหมือนสังสารวั ต, นะตนั้นกำหนดเมืองต้นเมืองปลายไม่ได้กินเวลาถึ่งสองสองหลักสูตรนะสองช่วงหลายครั้งด้วยกันการอธิบายอย่างนี้ผมก็รู้ว่าค่อนข้างจะ น, น่าเบื่อพราะเราต้องการจะให้ขึ้นระบบเป็นวิชาการนะ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีสาระในกระหม่ของคนปฏิบัติแล้วก็ต่อไปคนที่ได้ฟังทางเทพเสียงก็คงจะได้ดุลพินิจอะไรต่ไรนะที่หลังสำหรับคราวจบเนี่ยคราวหน้าจะนั่นล่ะจะสรุปแ่ะสรุปในแง่ต่างๆเราก็จะได้เห็นเป็นข้อสังเกตว่าใครเช่นว่าการบรรลุ ใครบรรลุก่อนบวชบรบรลุหลังบวชบรรลุขณะบวชบรบรลุอายุน้อยอายุมากแล้วก็ใครปฏิบัติลําบากปฏิบัติง่ายอะไรอย่างนี้นะแล้วใครอวันนั้นไหนใครมีกิเลสอะไรกวนก็จะได้เป็นข้อสรุปเป็นสัตว์เป็นส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในการทบทวนและเป็นตัวอย่าง ที่ชัดในทางวิชาการที่ถือว่าเป็นแน่แน่ต่อไป